พวกเราอย่าให้เสียเวลานะธรรมะเป็นของที่ต้องเร่งศึกษาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันใดพระพุทธศาสนาจะหมดไปอย่างตอนนี้คนประเทศอื่นมาเรียนมาเรียนที่หลวงพ่อเนี่ยเวียนกันมาเรียนนะทีก็รวมกลุ่มกันมาพกลุ่มใหญ่ๆ ประเทศของเขาอย่างประเทศจีนนี่เขาเคยมีพระพุทธศาสนาแต่ว่ามันก็หายไปเรารู้ว่าทางเราทางเมืองไทยยังมีอยู่เขาอุตสาห์มาเรียนหวังว่าจะเอาธรรมะกลับไปประเทศเขานี่ถ้าคนไทยเราเองไม่สนใจการปฏิบัติกระทั่งปริยัติก็ไม่รู้เลยยิ่งไปกันใหญ่ถึงวันหนึ่ง ถ้าเราอยากจะได้ธรรมะเราอาจต้องไปเรียนจากประเทศอื่นอยากให้มันถึงขนาดนั้นน่มันจะยากอย่างคนต่างชาติมาเรียนแากหลวงพ่อเนี่ยเขาลำบากมากเลยก็ต้องมีคนมาแปลอย่างคนจีนเงี้ยก็มีคนแปลต้องหาคนจีนที่รู้ภาษาไทยด้วยรู้ธรรมะด้วยถึงจะแปลถูกซึ่งมันหายาก อยากมาจัดคอร์สสิบวันมีคนแปลได้คนเดียวคนสอนมีหลายคนคนแปลเนี่ยทำงานหนักมากเลยป็นคนจีนนะนี่ต่อไปสมมติว่าถ้าเราไม่สนใจเราไม่รักษาพระพุทธศาสนาาไว้พุทธศาสนาหมดไปจากเมืองไทยเวลาเราจะไปเรียนเอาคืนมาเนี่ยมันละ บ, บากเราต้องไปรู้ภาษาของชาติของเขา เก่อนที่พระพุทธศาสนาจะหายไปเนียเราต้องศึกษาสะ ก, ก่อนว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรนะถ้าเราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตรงแท้แล้วเนียเราจะพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงความทุกข์มันจะเหลือเฉพาะความทุกข์ทางร่างกายแต่ในจิตใจนั้นจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนะถ้าเราได้ศึกษาธรรมะอย่างตรงแท้แล้ว พุทธเจ้าท่านเตบเที่ยบให้ฟังบอกว่าคนทั่วๆไปเนี่ยเวลามีความทุกข์เข้ามาถึงทางร่างกายมันจะทุกเข้าไปถึงใจด้วยเหมือนคนถูกยิงด้วยลูกธนูลูกธนูดอกที่หนึ่งเนี่ยทำร้ายร่างกายแล้วมันจะมีลูกธนูดอกที่สองตามมาทําร้ายจิตใจไปด้วยจิตใจจะเศร้าหมองด้วยท่านบอกพระอริยะบุคคลผู้ที่ได้ศึกษาปฏิบัติทําดีแล้วเนี่ย ถ้าถูกลูกธนูก็ถูกลูกเดียวนะคือได้รับความทุกข์ทางร่างกายเนี้ยต้องมีอยู่เพราะเรามีร่างกายแล้วร่างกายนี้ต้องแกร่ร่างกายนี้ต้องเจ็บร่างกายนี้ต้องตายบอกได้รับความทุกข์ทางร่างกายแต่ใจเนี่ยจะไม่ทุกข์ใจมันจะเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้สิ้นเชิงจริงๆเนี่ยอาศัยปัญญาแต่ปัญญาอยู่ลอยๆไม่ได้นะ ปัญญาก็ต้องอาศัยพื้นฐานคือศีลและสมาธิเป็นตัวเครือกูลให้เกิดปัญญาเพราะสิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนนะคือเราจะต้องเรียนว่าทำยังไงเราจะมีศีลทำยังไงจะมีสมาธิทำยังไงจะมีปัญญาถ้าเราเกิดศีลเกิดสมาธิแก่รอบขึ้นมาถูกต้องขึ้นมาเนียการเจริญปัญญาจะทำง่ายเมื่อเจริญปัญญาคือเห็นความจริงของกายของใจแล้วเนี่ย จิตจะหมดความยึดถือในกายในใจเมื่อจิตไม่ยึดกายจิตจะไม่ทุกข์เพราะกายร่างกายแก่ก็ส่วนของร่างกายจิตใจไม่เศร้าหมองร่างกายเจ็บป่วยก็เป็นส่วนของร่างกายจิตใจไม่เศร้าหมองร่างกายจะตายก็เป็นส่วนของร่างกายจิตใจก็ไม่เศร้าหมองหรือบางทีเราเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบใจอย่างบางทีเราอยู่บ้านเราสบายสบาย มีอันาพานมาตั้งบ้านอยู่ติดกับเราเนี่ยเราไม่ได้เชิญนมันมาเองห้ามมันก็ไม่ได้นะหรือบางบ้านเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับเราะวันดีคืนดีไปเอาหมามาเลี้ยงหมานี่เห่าทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะเราเดือดร้อนเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจนะบางทีเราก็พลัดพรากจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะ สิ่งที่เรารักมากๆา ก, ก็ตัวเราเองนะลองลองไปก็คือลูกๆของเรานะสามีพัญญานะทรัพย์สมบัติบ้านช่องห้องหออะไรพวกนี้สิ่งเหล่านี้อยู่กับเราชั่วคราวเท่านั้นแหละอย่างเราแต่ละคนเนะบางคนก็บอกเราลงทุนไปซื้อบ้านเนี่ยบ้านนี้เป็นของเราแล้วเราอยู่ได้ตลอดกาลความจริงไม่มีใครอยู่ได้ตลอดกาลหรอกนะถ้าบ้านไม่พังเราก็พังก่อนบ้านก็แค่ตัเองนะไม่มีใคร จะอยู่คําฟ้าไปได้เนทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปนะทั้งความสุขทั้งความทุกข์มันมาแล้วมันก็ไปเนี่ยถ้าใจมันเห็นความจริงอย่างนี้นะเวลาความสุขเกิดขึ้นใจไม่หลงระเริงความสุขหายไปใจไม่คล่ําครวญไม่เศร้าโศกเวลาความทุกข์เกิดขึน้นมีปัญหาในชีวิตเกิดขึ้นน่ะใจก็ไม่ทุรนทุรายใจมันรู้ความจริงว่าความทุกข์มันก็ของชั่วคราวนะ หรือความทุกข์มันยังไม่เกิดก็ไม่กงังวลพวกเราหลายคนนะกงนังวลล่วงหน้ามนุษย์เนี่ยต่างกับสัตว์อื่นอยู่อย่างหนึ่งนะสัตว์อื่นเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันจริงๆเลยนะมันได้อยู่ได้กินมีที่อยู่ที่กินมันปลอดภัยไปบันๆหรือมันมีความสุขแล้วของเราเนี่ยจะคิดล่วงหน้าใช่ไหมถ้าตอนแก่เราจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยจะต้องทํำยังไงรู้คิดยาวยิ่งคิดมากนะความทุกข์ก็เยอะ หรือไปคิดว่าไม่สบายนไม่สบายเป็นมะเร็งสมมติไปตรวจร่างกายเจอว่าเป็นมะเร็งเรื่องนีเ้เป็นขั้นที่หนึ่งนะในใจเนี่มีแต่ความทุกข์มากเลยคิดล่วงหน้าไปต่อไปต้องเป็นมากกว่านี้ต้องเจ็บมากต้องตายต้องอะไรต่ออะไรในใจยิ่งกัางโงนไปมีความทุกข์มากมายถ้าเราฉลาดนะเรามาศึกษาปฏิบัติธรรมเนะี่ยต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรา เราจะไม่ทุกข์หรอกร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายเราก็ไม่ทุกข์เราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักพลัดพรากจากความสุขทั้งหลายที่เรามีจิตใจก็ไม่ทุกข์เพราะจิตใจฉลาดรู้ว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวหรือเวลาที่เราเผชิญปัญหาชีวิตและมีความทุกข์มากมายเกิดขึ้นนะจิตใจจะไม่ทุรนทุรายเพราะมันรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต เนี่ยก่อนที่ใจมันจะเข้ามาถึงจุดที่ยอมรับความจริงทุกสิ่งทุกอย่างได้นไม่หลงรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยอาศัยการเจริญปัญญานะงั้นบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนเราเนี่มี3บทบทที่1ชื่อศีลสิกข า, าศีลสิกขาเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตนะเป็นการพัฒนากายวาจาของเราให้มันดีให้มันเรียบร้อยนี่คือเรื่องของศีล ศีลเป็นเรื่องของกายของวาจาแต่กายกับวาจามันจะทําผิดได้เนี่ยใจมันทําผิดก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะเราจะมีสติคอยรักษาใจของเราคนทําผิดศีลได้ไปด่าเขาได้ไปตีเขาได้ไปขโมยเขาได้นะไปข่มคืนเขาได้อะไรพวกนี้มันเกิดจากกิเลสเนมันครอบงําใจอย่างความโกรธครอบงําใจก็ทําผิดศีลได้ความโลภครอบงําใจก็ทําผิดศีลได้ ถ้าเราฉลาดพอนะเราถือศีลด้วยวิธีที่ง่ายๆคือเรารู้ทันใจของเรากิเลสเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นคอยรู้ทันศีนมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่เบื้องต้นก่อนที่ศีนจะโตมัตจะเกิดนะเราต้องตั้งใจรักษาไว้ก่อนเพราอ น, นบางทีท่านสอนกันนะบอกว่าตัวศีนเนี่ยคือตัวเจตนาที่จะงดเว้น การทาบาปอกุศลทางกายทางวาจาคือตัวเจตนาที่จะงดเว้นเจตนางดเว้นเนี่ยภาษาแขกภาษาบาลีเรียกว่าเจตนาวิรัตเจตนาที่ยังงดเว้นหมายถึงว่ามีโอกาสทําชั่วมีโอกาสขโมยก็ไม่ขโมยมีโอกาสเป็นชั่วเขาก็ไม่เป็นนะมีโอกาสทาร้ายเขาก็ไม่ทํนะมีโอกาสโกหกก็ไม่โกหกเนี่ย มีโอกาสกินเหล้าก็ไม่กินเป็นการที่ไม่ทำผิดทางร่างกายทางวาจาข้อหนึ่งข้อ2ข้อสข้อ4เนี่ยมันเป็นการทำความผิดนะทางกายทางวาจาเป็นการประสุร้ายผู้อื่นส่วนข้อ5้าเนี่ยประทุร้ายสติของตัวเองเพราะเราขาดสติสักอย่างเดียวกิเลสมันจะย้อมจิตได้เพราะกิเลสย้อมจิตได้เราทำผิดศีลได้ทุกข้อเลยนะ งั้นข้อหเนี่ยเป็นการฝึกให้มีสติเพื่อจะได้เกิดศีลอัตโนมัติมาคุ้มครองจิตใจไม่ให้ตกไปสู่ความชั่วศีลเป็นของจำเป็นนะพวกเราทุกวันนี้จะเห็นว่าบ้านเมืองมันร้อนเป็นไฟเพราะคนมันไม่ถือศีล น, นักการเมืองก็ไม่เอาศีลบางยุคบางสมัยนะถึงขนาดโฆษณานะว่าขอรับชั่นก็ได้ขอให้มีผลงานผลงานอะไรผลงานขายบ้านขายเมืองนะ แต่มีผลงานนึกว่าร่ำรวยสบายสบายที่แท้บ้านเมืองจะล่มจมเอาคอรับชั้นไม่ได้นะพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยสอนเลยว่าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ดนะีใช้วิธีที่ชั่วก็ได้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะวัตถุประสงค์ที่ดีก็ต้องมีวิธีปฏิบัติที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าทําชั่วแล้วเพื่อให้เกิดความดีนะมันทําไม่ได้ เนีย่ยเราต้องเจตนานะเจตนางดเว้นเราจะไม่ทาผิดศีลห้าพวกเราก็รู้จักศีลห้าอยู่แล้วหละถัดจากนั้นเราคอยมีสติคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองไวนะ้เมื่อไรกิเลสเกิดให้รู้ทันการรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในจิตในใจนั้นไม่ใช่ของยากทุกคนรู้ไดนะ้อย่างพวกเรารู้จักโกรธไหมใครไม่เคยโกรธมีไหมมีไหมรู้จักรบไหม ใครเคยลอบบ้างยกมือสิหลวงพ่อจะดูว่าใครโกหกพวกไม่ยกมือเนี่ยโกหกแน่นอนเลยถามครั้งแรกกับครั้งที่สองแนละ้วกลับข้างกันใช่ไหมใครเคยตรวจบ้างเยครั้งที่สองน้ำใครไม่เคยลอบบ้างะในการทดสอบว่าหลับไปหรื อ, อยังเออใช้ได้นะยังไม่หลับปกติคนฟังหลวงพ่อเทศไม่ค่อยกล้าหลับนะ ไม่ค่อยกล้าหลับถ้ารู้จักหลวงพ่อจริงๆแล้วเนะี่ยเจอหลวงพ่อก็สั่นแล้วนะไม่ค่อยกล้าหลับหรอกใจจะตื่นตัวอย่างรุนแรงกลนะัวกลนะัวอะไรกลัวถูกจับว่าเป็นผู้ไร้ายนะเป็นผู้ร้ายแอบไปทําน้นทํานี้กลัวโดนจับงันะ้งพวกเรานะตั้งใจซื้อสีห้าไ้ก่อนเป็นการปรับปรุงพฤติกรรมทางกายทางวาจาของเรา จากนั้นเราจะมาปรับปรุงพฤติกรรมทางใจปรับปรุงคุณภาพของจิตใจเครื่องมือที่จะใช้ปรับปรุงจิตใจเรามีสองอย่างอย่างที่หนึ่งเรียกว่าสมถกรรมฐานทําไปเพื่อให้จิตใจได้รับความสุขได้รับความสงบ ม, มีเรี่ยวมีแรงอย่างที่สองเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานทําเพื่อให้เพื่อให้จิตใจฉลาดอันนึงทําไปเพื่อให้ใจสงบอันนึ่งทำไปเพื่อให้ใจฉลาด สงบอย่างเดียวไม่บรรลุมากคผนิพพานอยากฉลาดอย่างเดียวไม่เคยสงบเลยนะใจก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงฟุ้งซ่านราะนามไม่ได้จริงงั้นเราจะต้องพยายามเรียนให้ได้ทั้งสองอย่างดีที่สุดแต่ถ้าเรียนได้อย่างเดียวนะก็ต้องเรียนวิธีเจริญปัญญาไ้ก่อนนะบางคนเจริญปัญญาได้ถูกหลักนะก็เกิดสมาธิตามหลังมาก็ได้นั้นะต้องฝึกทั้งสองอย่างเลยได้ดีที่สุด อันแรกเลยการฝึกให้จิตใจมีความสุขความสงบอันที่สองฝึกให้จิตใจฉลาดนะจิตใจฉลาดคือจิตใจรู้ความจริงของกายของใจเมื่อรู้ความจริงของกายของใจแล้วอยางรู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยถ้าใจมันยอมรับตรงนี้นะพอแก่พอเจ็บพอตายเนี่ยใจไม่หวั่นไหวใจรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยจิตยอมยอมรับความจริงได้ ถ้าจิตใจยอมรับความจริงได้นะว่าความสุขก็เป็นของโชวคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนะจิตใจจะไม่หวั่นไหวมันอยู่ที่ว่าจิตใจยอมรับความจริงได้นั่นคือการเจริญปัญญาฝึกอบรมจน ก, กระทั่งจิตใจรู้ความจริงและยอมรับความจริงของชีวิตได้นีงานแรกนะหลวงพ่อจะพูดให้ฟังแบบไม่ยากนะวิธีที่จะฝึกจิตให้สงบนั้ น, นมีวิธีมากมายมหาศาล อะไรก็ได้นะใช้กรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราชอบเราต้องดูตัวเองว่าเราทำกรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขเราก็ทำกรรมฐานนั้นอย่างบางคนบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วมีความสุขนะเราก็บริกรรมพุโทโธไป บางคนคิดถึงพระพุทธเจ้านะคิดถึงพระพุทธเจ้าท่านดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ท่านมีปัญญาที่คุณตนะรัสรู้ด้วยพระ อ, องค์เองท่านมีเมตตามีกรุณาเนะี่ยมีความบริสุทธนะิ์เนี่ยพิจารณาไปว่าคุณความดีของท่านมากมายนะบางคนรักพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในพระเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าเนะี่ยใจก็มีความสุขทันทีที่ใจมีความสุขสมาธิก็จะเกิดขึ้น จำหลักง่ายๆไว้นะสมาธิชนิดที่ทำให้ใจมีความสงบเนี่ยเกิดจากใจเนี่ยไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขใจที่มีสมาธิมีความสงบเนี่ยตรงข้ามกับใจที่ฟุ้งซ่านใจที่ฟุ้งซ่านคือใจที่วิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดทำไมมันวิ่งไปวิ่งมาในความเป็นจริงแล้วมันวิ่งหาความสุขมันวิ่งหนีความทุกข์ตลอดเวลา อย่างเราไปดูหนังเนี่ยเราพกวังว่าจะมีความสุขไปกินเหล้าใช่ไหมหวังว่าอะไรหวังว่าจะมีความสุขจะหาแฟนสักคนพหวังจะมีความสุขไม่ว่าเราทํ ja. าอะไรนะเราอยากได้ความสุขเราอยากได้ความไม่ทุกข์เอี่เนี่ยวิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกขเนี่ยวิ่งอยู่อย่างนี้ทั้งวันอะไปดูหนังจะไปฟังเพลงก็อยากได้ความสุขไปทําอย่างโน้นทําอย่างนี้หวังจะได้ความสุขแต่จิตใจเนี่ยมันไม่เต็มมันไม่หยิ่ อย่างเราสมมติเรามีแฟนเราคิดว่าถ้ามีแฟนสักคนจะมีความสุขเพราะมีเข้าจริงๆเนะี่ยก็งั้นๆอนะ่ะไม่เห็นจะสุขตรงไหนเลยอยากมีคนใหม่ละเกิดจะมีความสุขอีกนะบางคนลองหลายหลายรอบมีแฟนหลายคนอยนะ่างเนี้ยก็ไม่เห็นมีความสุขยิ่งปวดหัวมากขึ้นมากขึ้นซยอีกนะที่จริงแล้วจิตใจฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะจิตใจอยากได้ความสุขแล้วมันไม่ได้มันก็เลยต้องวิ่งไปหาอารมาณนเดือดต่อ ถ้าเราเข้าใจหลักตรงนี้แล้วเนี่ยการจะทำให้จิตใจสงบเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเรามาสังเกตใจตัวเราเองว่าใจของเราเนี่ยไปรู้อารมณ์อะไรนะแล้วมีความสุขเราก็ไปยุดรู้อารมณ์นั้นบ่อยๆแต่อารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ได้ไปรู้แล้วกิเลสมากกว่าเก่านะถ้าไปรู้แล้วกิเลสมากกว่าเก่าเนี่ยสุดท้ายนจะฟุ้งซ่าน เนั่นต้องเป็นอารมณ์ที่เราไปรู้แล้วมีความสุขเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะไม่เป็นไปเพื่อกิเลสอย่างพุทโธพุทโธไปนะคิดถึงพุทธเจ้าไปอนี้เนี่ยจิตใจบางคนได้พุทโธพุทโธก็พอใจพอจิตใจพอใจจิตใจก็ไม่วิ่งไปที่อื่นบางคนชอบรู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้ไปสบายๆจิตใจมีความสุข จิตใจก็ไม่หนีไปที่อื่นนะบางคนชอบเดินจงกรมเดินจงกรมนะเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูดูไปสบายๆดูแล้วมีความสุขดูแล้วมีความสุขนะใจก็ไม่หนีไปหาอารมณม์อื่นตรงที่จิตใจไม่วิ่งคลานไปหาอารมณ์โน้นหาอารมณ์นี้นั่นแหละจิตจะอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะโดยที่เราไม่ได้บังคับให้จิตอยู่ในอารมณ์ันเดียวโดยไม่ได้บังคับแล้วนะี้สมาธิมันจะเกิด จิตแจงใจสงบตัวเนื้อรู้ตัวอยู่นะจะไม่ได้ขาดสติสมาธิเนี่ยต้องฝึกได้ก็ดีจะต้องระวังอย่างหนึ่งว่าสมาธิที่เขาฝึกกันทุกวันนี้มันเป็นมิจฉาสมาธิอย่างนั่งสมาธิแล้วก็เห็นโน้นเห็นนี่นะเห็นพระพุทธรูปเห็นผีเห็นเทวดาเห็นอย่างน้อนเห็นอย่างนี้เห็นแสงเห็นสีอะไรพวกนี้ สมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิที่ออกไปข้างนอกไม่สงบจริงฟุ้งซ่านนะสิ่งที่ไปรู้ไปเห็นอย่างไปเห็นผีอย่างนี้นนะว่าแถวนี้เมื่อก่อนมีสึนามิโอ้ผีมาเดินกันเพ่นพ่านมาทีนะ่ยินข่าวว่ามีสึนามิแล้วก็ใจเขาเชื่อแล้วว่าผีต้องชุมเนะนี้ยเขาน่งสมาธิแลเคลิ้มไปหน่อยเดียวใจมันก็ปลุกแล้วผีเพ่นพ่านไปหมดเลยนะผีไม่จะมาเดินอยู่ทําไมที่นี่ใช่ไหมไม่ใช่บ้านมันเนี่ยมันอยากไปไหนมันก็ไปสินะ เนี่ยใจมันหลอนนะบางทีใจมันหลอนนะเฉะนั้นนั่งสมาธินี่อย่าให้ขาดสตินั่งสมาธินั่นต้องรู้เนี่ยรู้ตัวอยู่รู้ไปสบายๆพุทธโทธพุทธโทธพุทธโทธไปสบายๆนะถ้าขาดสติปุ๊บจะเห็นโน้นเห็นนี่อะไรอย่างเนี้อย่างนี้ไม่เอาสมาธิที่เห็นอันโน่นเห็นอันนี้นเห็นหวยเห็นเบอร์บางทีก็ถูกบางทีก็ผิดเลยเชื่ออะไรไม่ได้หรอกสุดท้ายโดนกิน เคยมีนักครูบาจารย์เคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะชื่อท่านอาจารย์ทองอินเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สิมอาจารย์ทองอินน่ะท่านบอกตอนท่านหนุ่มๆท่านออกทุดงไปอยู่ในถ้ำหลวงพ่อจำไม่ได้แล้วว่าจังหวัดไหนท่านเล่าให้ฟังเจอหลายรอบนะท่านก็เล่าเรื่อยๆชอบเล่าเรื่องนี้นท่านบอกไปนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำแม้สงบสบายชาวบ้านนมาถามอาจารย์เห็นเบอร์ไหม นะไม่เห็นไม่เห็นเห็นหน่อยหน้าครนะาวนี้ใจอยากเห็นแล้วนะ่งนะนั่งไปไม่คิดว่าจะเห็นนะเห็นเลขขึ้นที่ผนังถ้ำหกตัวพอชาวบ้านมาถามจานเห็นเบอร์ไหมเห็นเห็นเบอร์อะไรนี่เบอร์หกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชาวบ้านสายหน้าให้หวยอะไรตั้งหกเบอรนะ์อย่างนี้นะไม่ซื้อปรากฏรางวัลที่หนึ่งออกหกเบอร์นี้ เลียงไม่ต้องกลับซ้ายกลับขวากลับหน้ากลับหลังไม่ต้องบวกไม่ต้องลบเลยเลยนะออกตรงๆเลยคราวนี้ชาวบ้านแห่มาเยอะเลยรอบที่สองชาวบ้านมาจ้านเบอร์ออกก็ยังยังยังวันนี้ยังไม่เห็นนั่งไปนั่งไปนะกลางคืนเห็นหกเบอร์ชาวบ้านมาถามเห็นหรือยังเห็นแล้วเห็นแล้วหกเบอร์คราวนี้ชาวบ้านก็ไปซื้อก็ซื้อเลขท้ายแหละพี่ซื้อหเบอร์ได้ไงใช่ไหม พาล้มถูกกันทั้งหมู่บ้านเลยชาวบ้านเนี่ยเคารพนับถือท่านมากเลยนะแห่กันมานแวดล้อมส่วนเจ้ามือเนี่ยอยากฆ่าท่านเ่วนชาวบ้านเนี่ยนับถือมากเจ้ามืออยากฆ่าแล้วพระองคนี้เอาไว้ไม่ได้นะท่านบอกเราเนี้ใจท่านโลกนะโนกูเก่งกูเก่งนั่งนั่งไปเห็นปุ๊บ6เบอร์บอกรอบนี้นะไม่ถูกสักเบอร์เลย เอนนี้ท่านต้องหนีเลยบ อ, อกชาวบ้านจะฆ่าท่านเจ้ามือรักท่านมากเลยนะกลับมาหลวนะงปู่สินด่าเลย้นะาวนายัางไงไปเห็นเบอร์เนี่ยอย่างเนี้ยสมาธิอย่างเนี้ยไม่เอา นะสมาธิอย่างนี้ไม่เป็นไปเพื่อความลดลากิเลสเป็นไปเพื่อครบคุลกิเลสเพอเห็นถูกใช่ไม้มใจก็ลำทองว่ากูเก่งเห็นแล้วมันไม่ถูกนะใจก็เศร้าหมองงั้นเราไม่เอาสมาธิอย่างนั้นเรามาฝึกสมาธิที่ให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้ไปสบายสบาย พอจิตใจมีความสุขจิตใจมีความสบายจิตใจก็มไม่ร่อนเร่ไปที่อื่นนะสมาธิมันก็เกิดจิตใจมันก็อยู่กับตัวเองหลวงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นโยมนะฝึกได้ตั้งแต่เป็นโยมที่ฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองเนะี่ยจิตใจไม่หลงไปนานๆเนาะยังเห็นพวกเราบางคนหลงเป็นวันๆนะเห็นแล้วสลดสังเวชมากเลยว่าเธอคิดว่าเธอจะเป็นอมตะไม่รู้จักตายเหรือทำไมปล่อยชีวิตร่อนเร่ขนาด น, นั้นนะถ้าคนเรารู้จักว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนนะี่ยจะไม่กล้า ปล่อยเนะื้อปล่อยตัวเหลวไหลขนาดนั้นหรอกพวกเราเคยนึกตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่าสมมติว่าถ้าเราจะตายอาทิตย์หน้าเราจะตายเนะี่ยเรายังมีอะไรที่อยากทำไหมมีอะไรที่จะไม่ทำไหมเราคิดซิถ้าอาทิตย์หน้าจะตายมีอะไรที่ยังจะอยากทำอย่างติดค้างใจอยู่ไหมถ้าดูแล้วนะถ้าเราพิจารณาแล้วอะไรที่เราอยากทานะถ้าเราจะตายแล้วเราอยากทำรีบไปทำซะก่อนนะ ถ้าเป็นเรื่องดีๆนะถ้าอยากทําเช่นอยากจะฆ่าใครสักคนนะอาทิตย์หน้าตายแล้วฆ่ามันเลยไม่ต้องกวจําคุกตลอดชีวิตหรอกเพราะชีวิตเหลืออีกห้าหกวันนี้นะอย่างนั้นไม่เอานี่ยเราลองดูนะเราสํารวจใจของเราไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องอยากคอยรู้เท่าทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆนะรู้ไปสบายๆเพราะจิตใจมีความสุขจิตใจจะมีสมาธิเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ฟุ้งซ่านนะ แล้วม่จะคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเขารู้สึกอยู่ในจิตใจคนที่ไม่ยอมรู้สึกใจ ร, รู้สึกใจเนะี่ยพวกลืมตายไม่คิดว่าตัวเองจะต้องตายคิดว่าจะอยู่อีกนานเผลอๆเพลินๆไปวันวันหนึ่งไม่เป็นไรเนะี่ยในความเป็นจริงแล้วเราตายเมื่อไหร่ก็ได้หลวพ่อเคยเจอนะมีคนหนึ่งแข็งแรงแข็งแรงมากเลยเป็นแม่ครัวอยู่ที่วัดทางอีสานเสียงก็ดังลูกมาบวชเนรอย อยู่บนเขาเนี่ยแกพูดข้างล่างเนี่ยนะเสียงแว่แววขึ้นไปถึงยอดเขาเนย่ะเสียงดังขนาดแต่เขามันไม่สูงมากนะไม่ใช่เขาสูงขนาดต อ, อนอิฐถนนเสียงขึ้นไปขนาดนั้นนะว่าผีหลอกแล้ะเสียงดังแข็งแรงวันหนึ่งนะกินข้าวตอนเช้ากินข้าวเสร็จแล้วก็สำลักแล้วก็ก๊อกก๊ล้มลงไปตายเลยข้าวสำลักเสื้อเอือข้าวสำลักแล้ขวลข้าวจมูกอ่ะเข้าวหลอนลมอ่ะหายใจไม่ได้นะ ตายในห้านาทีขาดออกซิเจนตายนคนเราตายง่ายนะแล้วคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อนะี่ยยังเด็กๆว่าหลวงพ่อเนะี่ยตายไปเยอะแล้วนะคนยุคนี้เป็นมะเร็งเยอะเลยะเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นคนน้อนเป็นคนนี้เป็นนะปุ๊บปั๊บปุั บ, บตายไปแล้ว ถ้าเรารู้ว่าชีวิตเราเป็ของไม่แน่นอนเราจะไม่ประมาทนะมันจะคอยกล้าที่จะฝึกนะพยายามจะพัฒนาจิตใจของเราไม่มีศีลก็พยายามจะมีศีลไม่เคยฝึกสมาธิก็อยากจะฝึกเผื่อตายแล้วยมาบาลถามว่ามีอะไรดีบ้างบอกโอ้ฉันถือศีลมาตลอดยมบาลสู่หกเลยมันใช้ได้นะี่บอกฉันทาสมาธิมาตลอดยมบาลต้องมองหน้าจิงเปล่าแต่ทาสมาธิแล้วเห็นเลขเห็นเบอร์หรือว่ามีสติรู้เนื้อรู้ตัวเ ถ้าทำสมาธิมั่วๆซุ่ดๆกิเลสเยอะแยะคงเบี่ยงลงระลกไปเลยพวกเราอยากลัวยมบานนะจริงๆแล้วยมบาลใจดีมากเลยยมบานเนี่ยเป็นคนที่คอยช่วยเป็นตัวช่วยนะเนี่ยเป็นตัวช่วยอย่างบางคนทำความชั่วมากตายปุ๊บไม่ต้องเจอโยมบันไปอบายเลยบางคนทำความดีมากตายปุ๊บ ไปสุขติเลยไม่ต้องมีโยม บ, บาลแต่พวกที่ดีๆกั้มกึ่งกับชั่วพวกนี้ตัดสินใจไม่ถูกนะว่าจะดีหรือไม่ดีพวกนี้ต้องให้ยม บ, บาลช่วยตัดสินพวกเราใครรู้สึกว่าดีกับชั่วของเรากั้มกึ่งกันบ้างมีไหมยกมือสิเออเนหลวงพ่อจะบอกเคล็ดลับให้นะเออถ้าตายไปเราเจอยม บ, บาลเนี่ยอย่าตกใจรีบนึกเลยว่าเราได้สร้างความดีอะไรไว้บ้าง นึกอะไรไม่ออกก็บอกว่าเคยฟังหลวงพ่อพประมโมทย์เอาอย่างนี้เลยนะยมบาลยอมเลยนะแล้วนะร อ, รอมีซีดีไหมเอามาแบ่งกันบ้างนะนะนะยมบาลเนี่ยจะคอยถามเราจะถามนํานะว่าเคยทำบุญไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่มุ่งจะเอาเรื่องเรานะแต่มุ่งจะกระตุ้นให้เราคิดถึงความดีที่เราเคยสร้างเนี่ยท่านพยายามช่วย พอเรานึกถึงความดีเราได้นะจิตเราเป็นกุศลเราก็ขึ้นสุขติเลยเนี่ยท่านพยายามช่วยนะะั้นถ้าไปเจอท่านอย่าตกใจนะบอกไปเลยว่าฟังซีดีของหลวงพ่อ ท, ทุกวันทุกวันบออ่างนี้นะออแล้วจะไปสุขติยามัานจะเกรงใจนะเ <c oughs> นี่ยค่อยๆฝึกนะไม่เคยถือศีลตั้งใจรักษาศีลคอยรู้ทันกิเลสของตัวเองแล้วศีลจะดีขึ้นดีขึ้น เพคนท im, คําผิดศีลเพรามีกิเลสไม่เคยฝึกสมาธิก็ฝึกจะบ้างไม่เสียสตางหรอกฝึกสมาธิหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าอย่าไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจนะเอาแค่เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไปสบายๆเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปสบายๆพอเรารู้สึกไปอย่างสบายๆใจมีความสุขลสมาธจาิจะเกิดเอง เนี่ยเคล็ดลับที่จะทําให้จิตมีสมาธิได้สงบได้พักผ่อนนะนีวิธีทํำยังไงจะให้เกิดปัญญาการจะให้เกิดปัญญาเนี่ยไม่ใช่เรื่องคิดเอาเองปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยปัญญาชั้นสูงเนี่ยเป็นปัญญาจากการที่จิตใจเราได้ไปเห็นความจริงของร่างกายปัญญานั้นเกิดจากจิตใจเห็นความจริงของร่างกายเห็นความจริงของจิตใจอย่างเราเห็นร่างกายเนี่ย มีปัญญาเราเห็นร่างกายเนะี่ยมีแต่ความทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์นะเนี่ยถ้าอย่างนี้ถือว่าเรามีปัญญาหลวงพ่อถามไหนพวกเราที่มานั่งฟังหลวงพ่อเทศนาสักกี่นาทีแล้วไม่รู้ลืมเอานาฬิกามานะในนี้ไม่มีให้ดูด้วยสินะมีไมี่สิบห้านาทียี่สิบห้านาทีเนี่ยใครเก่าบ้างมีใครที่เก่าไปแล้วบ้างหลวงพ่อเห็นนะ นั่งวันนี้ดูง่ายหลวงพ่อได้เชื่อเลยคนเราเนี่ยสืบสายพันธุ์มาจากลินนะย<น>ุกขึ้นเก้าไปเรื่อยๆนะทําไมเราเกา่ามันขันใช่ไหมแล้วเรารู้ไหมว่าเราเกา่าเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าขันเรือยซ้ำไปมันขันขึ้นมาเราก็เก่าอัตโนมัติใช่ไหมเราแค่ฟังหลวงพ่อโดยมไม่รู้เลยว่าขันพอคันปุ๊บก็เก่าหายขัดแล้วฟังต่อ เนี่ยอาคางเนยคล้ายๆหลิงนะยุกยิ๊กยุกยิกย๊กนะแล้วใครขยับตัวแล้วบ้างขยับไปขยับมาเนี่ยขยับทำไมต้องขยับมันเมื่อยเมื่อยน้อยๆ น, ยนะเราก็เปลี่ยนอิเดียาบท ย, ย่อยๆแค่นี้เป็นอิเดียาบดย่อย เมื่อยมากเลยต้องเปลียดอิริยาบทใหญ่ลงนอนได้ก็นอนไปเลยไหมหรือถ้านอนไม่ได้แล้วก็ลุกขึ้นทําเป็นเดินไปห้องน้ําแล้วก็หนีไปเลยนลงบันไดหนีไปเลย น, นี่เป็นอิริยาบทใหญ่ะการเปลี่ยดอิริยาบทเนี่ยมันทําให้เรามองไม่เห็นความทุกข์ในร่างกายเพราะเวลาความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วขยับไปปุ๊บมันหายทุกข์แล้วแล้วต่อไปนี้นะเราก็เจริญปัญญา เราคอยรู้สึกตัวเองอยู่มันเมื่อยหรือว่าเมื่อยก่อนเมื่อยก่อนนะให้รู้รู้แล้วก็ขยับพวกสบายเมื่ออีกรู้อีกก็ขยับอีกนะคอยรู้สึกไปหรือถ้าคอยหายใจก็ได้หายใจออกไปนะก็จะเห็นมันทุกเราก็หายใจเข้าหายใจเข้าแล้วมันก็ทุกเราก็หายใจออกเราดูซิหายใจเข้าหายใจให้เข้าให้ยาวที่สุดแล้วดูว่าทุกหรือสุขหายใจไปอย่าหยุดนะเอาสักครึ่งชั่วโมง หัวล่าท uh, ีเด e ียวออกแล้วใช่ไหมรู้สึกไม่หายใจเข้าเราทุกแล้วหายใจออกอ้าวกลับไปที่หายใจออกออกให้ยาวที่สุดสุขหรือทุกทุกเพราะงั้นหายใจเข้าน่ะก็ทุกนะก็หายใจออกเพื่อแก้ทุกหายใจออกไปแล้วก็ทุกก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกอีกนั่งอยู่ก็ทุกก็ต้องไปยืนนะยืนก็ทุกไปเดินเดินทุกไปนั่งไปนอนนะมีไหมเดินเดินอยู่แล้วลงไปนอนมีไหม มีหกล้มไงนะเดินเดินอยู่โฟมลงพื้นไปแล้วไม่ทันจะนั่งถ้าปกติก็เดินอยู่ก็หยุดยืนยืนแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็อยนอนนียถ้าตามสเตปปกติถ้าหกขมเรนนะยืนอยู่หรือเดินอยู่มึงจะลงนอ น, นถ้าข้ามขั้นตอนแบบนี้ก็บาดเจ็บไปเนืน้อร่างกายเราเปลี่ยนอิทธิบาตรตลอดเวลานะอิะทธิบาตรใหญ่เช่นจากนั่งก็เป็นยืนจากยืนเป็นเดินจากเดินเป็นนั่งนั่งเป็นนอนอย่างเงี้ย เรียกว่าอิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถใหญ่ก็คือขยุกขยิกขยุก ข, ขยิบนี่แหละอิริยาบถเนี้ยเป็นตัวที่ปิดบังทําให้เราไม่เห็นความทุกข์ในร่างกายแท้จริงแล้วร่างกายเรามีความทุกข์บิบคั้นอยู่ตลอดเวลานะยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์เวลานอนกลางคืนต้องพลิกซ้ายพลิกขวาใช่ไหมทําไมต้องพลิกเพราะมันเมื่อยนอนนะนึกว่าจะสบายนะ นอนไม่ว่าจะสบายเอาเข้าจริงนอนก็ไม่สบายนอนไปนอนมามันเมื่อยมันต้อพลิกไปพลิกมาลําบากนะเพราะนั้นจริงๆแล้วความทุกข์เนี่ยบีบคั้นร่างกายนี้อยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเรามีสติเราคอยรู้อย่างนี้เรื่อยไปนะเราคอยรู้ความจริงไปด้วยในสุดปัญญามันเกิดจิตมันยอมรับความจริงร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา นี้ทำไงเราจะเห็นต่อไปนี้นะเวลาร่างกายเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยให้เรารู้ซะหน่อยหนึ่งก่อนว่ามันทุกข์แล้วอย่างเวลาเรากระหายน้ำเนี่ยอย่าเพิ่งซดให้รู้ก่อนว่ากระหายเวลามันเมื่อยนะให้รู้ก่อนว่าเมื่อยแล้วค่อยขยับนะเวลาคันให้รู้ว่าคันซะก่อนแล้วค่อยเกา เนะี่ยใครรู้สึกอย่างนี้นะถ้าสุดท้ายเราจะเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่คิดหรอกร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะเนี่ยพอใจเราเห็นความจริงตรงนี้แล้วมันจะได้อะไรมันจะได้ความได้พอใจมันยอมรับความจริงนะว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกขนะ์นือพอร่างกายนี้แก่นะใจจะไม่หวั่นไหวทำไมจะต้องหวั่นไหวตัวทุกข์มันแก่มันไม่ใช่ตัวดีแก่ นะเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เห็นแปลกเลยมันก็ป่วยอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าก็ป่วยหายใจออกก็ป่วยอยู่แล้วยืนเดินนั่งนอน ก, ก็มีแต่ความเจ็บป่วยอยู่แล้วนะมันเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาแนละ้วเพราะมันเห็นว่าร่างกายนี้แก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาหรือตายเป็นธรรมดานี่ความมันเข้าถึงความเป็นธรรมดาแล้วเนี่ยใจมันไม่กระเทือนมันไม่หวั่นไหว นะเรียกว่าเราได้ธรรมะแล้วนะเข้าใจความเป็นธรรมดาของร่างกายนี้แล้วงั้นเราต้องฝึกนะกว่าที่จิตใจจะยอมรับความจริงได้เราต้องให้เห็นบ่อยๆคอยครู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเราเห็นได้อย่างนี้บ่อยๆนะต่อไปใจยอมรับแล้วร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษนะเพรมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเนะี่ยจิตใจจะไม่หวั่นไหวและจิตใจไม่หวั่นไหวนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่สะเทือนเลย มีบางคนนะคูบาอาจารย์เคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านเป็นเจ้าคณะภาคนะวัดท่านอยู่ในโคราชท่านบอกว่าญาติท่านมาตรวจร่างกายประจำปีที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามาตรวจแล้วก็มาจะมาฟังผลวันที่มาฟังผลแล้วนั่งรถปิ๊กอัพกันมาเฮ ห, หามาเลยนะปรากฏว่าไปฟังผลที่โรงพยาบาล กลับมาที่วัดเนี่ยลงจากรถไม่ได้ญาติญาติประคองปีกลงจากรถมาเพราะหมอบอกว่าเป็นมะเร็งหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเนะ่ใจเนี่ยฟอเลยแล้วท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่ากลับบ้านไปนะไม่กี่วันก็ตายไม่ได้ตายเพราะมะเร็งแต่ตายเพราะใจมันฟอ ใน่ใจที่ยอมรับความจริงไม่ได้ว่าตัวต้องแก่ตัวต้องเจ็บตัวต้องตายนะมันรีบตายซะก่อนเลยมันี่งเฉามากว่าคนปกติอีกนะมันมีแต่ความทุกข์ความเครียดตลอดไม่กี่วันนะั้น่ะนี่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้ตายแล้วมีโอกาสที่จะไปอบายโดยไม่ต้องเจอย ม, มาบาลยมบาลช่วยไม่ทันเลยเนะว่าจิตใจเศร้าหมองพวกเราเลือกอนาคตของตัวเราเองนะ ว่าเราจะดีขึ้นหรือเราจะเลวลงเนี่ยเราอยู่ที่ใจของเรานี่เองถ้าใจของเรามีคุณภาพใจของเราดีงามนะชีวิตเราก็จะดีขึ้นถ้าใจของเราขุ่นมัวเศร้าหมองนะชีวิตเราก็จะแย่ลงชาติต่อไปมันก็แย่อีกนะอย่างางคนขี้โมโหตอนนี้ขี้โมโหนะก็ฝึกโมโหไปจนแก่โมโหเก่งมากอะไรนิดหนึ่งก็โมโหเลยนะอย่างนี้ไม่ทันตาย เราตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วเวลาคนเราโกรธเนี่ยจิตใจมีความสุขไหมหรือมีความทุกข์นึกออกไหมเวลาโกรธเนี่ยจิตใจไม่มีความสุขไม่มีความช่มชื่นเนี่ยตกนรกแต่แต่ยังไม่ทันตายเลยเพราะงั้นตายไปก็ตกนรกอีกแหละเพราะว่ามันคุ้นเคยกับ น, นรกนะนี่เราต้องฝึกนะฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยาหากดูไปร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ดูไปหรือถ้าไม่ชอบไม่ชอบกรรมฐานดูกายเราก็ใช้กรรมฐานดูจิต เราดูลงไปดูจิตดูอะไรดูจิตเนี่ยเราดูให้เห็นความจริงขอว่าความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่จิตนะความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็าหายไปฝึกดูตรงนี้นะไม่ได้ฝึกให้จิตดีไม่ได้ฝึกให้จิตสงบไม่ได้ฝึกให้จิตสุขการฝึกให้จิตดีจิตสุขจิตสงบนั้นนะเป็นสมะถะธรรมฐานแต่การเจริญปัญญาเนี่ย จิตม si ันไม่ดีมันไม่ส <System, S 1> nee, <puta> ุขมันไม่สงบตลอดเวลาหรอกดีก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงเราจะไปเอาอะไรกับของไม่เที่ยงการเจรตัญญาณนั้นเราเอาความจริงความจริงเป็นของเที่ยงนะความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่แปรปรวนพระพุทธเจ้ากี่พระองค์กี่พระองค์ก็สอนนะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเนี้ยคือความจริงสอนเรื่องอริยสัจเนี้ยเป็นความจริงกี่พระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องเดียวกันทั้งนั้นแหละ เพราะความจริงเนี่ยไม่แปรปรวนไปเป็นของจริงนะสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงแท้นะเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นมาอย่างร่างกายเราเนี่ยเป็ของปรุงแต่งเกิดขึ้นมาพ่อแม่ช่วยกันปรุงแต่งขึ้นมาเราก็โตขึ้นมานะกินข้าวกินน้ําหายใจไปได้วัตถุธาตุของโลกเราก็โตขึ้นมาถึงวันหนึ่งก็แตกสลายคืนธาตทั้งหลายให้โลกไปนี่เป็นความจริงแล้วเราจะมามาคอยรู้นะความจริงของจิตใจเนี่ย เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงพวกเราสังเกตไหมใจของเรานะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคนไห RIGHT? นข ok ี <have> ้โมโหบ้างยกมือสีในห้องนี้โมโหวันหนึ่งกี่ครั้งใครโมโหวันละสิบครั้งขึ้นไปยกมือซีมีไหมโอ้เยอะนะเสียงนะออใครขี้โลคเจออะไรก็ชอบไปหมดเลยรักสวยรักงามนะยิ่งเมียชาวบ้านนี่สวยมากเมียเราไม่สวยอย่างนี้นะใจขี้โลค เห็นใครเขามีอะไรก็อยากได้ไปเดินตามศูนย์การค้าตามห้างสรรพสินค้าแล้วเห็นอะไรก็อยากได้เงี้ยพวกขี้โลคใครเป็นพวกขี้โลคบ้างมีไหมลอบวันหนึ่งสิบครั้งไหมไปหัดดูนะเออถ้าเราเป็นพวกขี้โกรธเราก็ค่อยหัดดูความขี้โกรธนั่นล่โกรธทีรู้ทีโกรธทีรทู้ทีไปะละเรารู้ไปบ่อยๆะเราค่อยๆสังเกตหนึ่งเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธ พวกขี้รอบนะเดี๋ยวก็รอบเดี๋ยวก็รอบคนไหนฟงซ่านเก่งยกมือซิฟงซ่านเนี่ยมันจะขี้หลงขี้หลงหมายถึงว่าเดี๋ยวมันก็ลืมตัวเองเดี๋ยวมันก็ลืมตัวเองใจมันฟงซ่านที่ยกมือมานี้ใช้ได้น ะ, สะแสดงว่าดูเป็นเพราะว่าพวกขี้หลงเนี่ยยกมากที่สุดพวกขี้รอบเนี่ยป่นกลาง มีน้อยกว่านะมีพวกขี้โกรธยังเยอะกว่าพวกขี้โรคยุคของเราเนี่ยพวกขี้โกรธเยอะแสดงว่าภูมิของเราที่มานะเราคุ้นเคยกับข้างล่างนะคุ้นเคยกับนรกนะใจมันมีแต่ความเล้าร้อนโมโหโตโสตลอดเวลานพวกขี้โลคเนี่ยพวกมาจากเปรตพวกอสุรกายใจอะไรก็หิวโหยตลอดเวลานะเนี่ยพวกขี้โลคพวกขี้หลงมาจากสัตว์นะ สัตมันจะใจลอยเก่งเพราะเราสังเกตไหมสัตว์มันมีเป็นฝูงใหญ่ๆ ใ, ใช่ไหมงั้นไม่แปลกหรอกถ้าพวกเราจํานวนมากเช็คขี้หลงนะถ้าตายปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่คงจะไปเป็นสัตว์เพราะว่าขี้หลงเงั้นสะัตว์เนี่ยจำนวนมันเยอะเลยปลาบางฝูงนะมีถ้าเป็นหมืน่นเป็นแสนตัวใช่ไหมอ๋อนะมันมีเยอะนะสัตว์ทั้งหลายมดนี่มีทั้งเท่าไหร่ในชะ่ไหม คนว่าเยอะแล้วนะเจอข้อมดหลังเดียวมากกว่าคนตั้งตำบลหนึ่งอีกเนอสัตว์มันมีเยอะถ้ามันชี้หลงงั้นเราคอยมาสังเกตที่ใจเรานะเวลาโกรธขึ้นมาให้รู้ว่าโกรธคนไหนขี้โกรธนะใช้ความโกรธมาทำกรรมฐาน เห็นไหมเราทำกรรมฐานจากของไม่ดีไม่ใช่ทำกรรมฐานจากของดีนะเราทํำกรรมฐานจากของไม่ดีเหมือนที่พระเทเจ้าสอนนะดุขรภิสุเท่าไหร่จิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเนี่ยของไม่ดีเรียนจากราคะคือความโลภดุขรภิสุเท่าไหร่จิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะเนี่ยเรียนจากโทสะความโกรธ ดูคระรทิ่สุเท่าไหร่จิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะดูจากความหลงหลงก็รู้หลงแล้วรู้นะถ้ามีโมหะไม่มีโมหะเวลาหลงไปมีโมหะเวลารู้ขึ้นมารู้ตัวขึ้นมาก็ไม่มีโมหะนสลับไปสลับมา ถ้าคนไหนขี้โกรธเขาก็เห็นเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายหัดดูไปคนไหนขี้รอบเขาก็เห็นเดี๋ยวก็รอบเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็รอบเดี๋ยวก็หายหัดดูอย่างนี้เลยไม่ต้องไปดูอะไรมากมายนะดูจิต ด, ดูใจของเราเนี่ยดูให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างมันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปหัดดูอย่างนี้สบายๆดูไปเรื่อยๆแล้วไม่นานนะจิตจะฉลาดจิตจะพบความจริงว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้ว bueno, นแต่ดับทังสิน้นจิตที่โกรธเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไม่โกรธเกิดแล้วก็ดับจิตที่โลภเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไม่โลภเกิดแล้วก็ดับอย่างเราคี้โลภเนี้ยเดี๋ยวมันก็อยากได้ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็หายอยากเดี๋ยวมันก็อยากอีกเดี๋ยวมันก็หายอยากเนี่ยมันมีแต่ทั้งสองข้างเลยนะทั้งอยากทั้งไม่อยากเนะี่ย สลับแต่สลับมาเรื่องแต่ไม่เที่ยงด้วยกันทั้งคู่เราฝึกภาวนาเจริญปัญญาเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวนะ จ, นจิตใจในจิตใจของเราเนี่ยเต็ไมไปด้วยของไม่เที่ยงถ้าในร่างกายเนี่ยดูไปมีแต่วความทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์นะแต่ถ้าดูจิตดูใ จ, ด, ใจดูไม่เที่ยงจะดูง่ายมันเปลี่ยนตลอดเวลาเวลาตาเราเมาเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนเวลาหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยน เวลาจมูกได้กลิ่นเวลาลิ้นได้รสเวลากายกระทบสัมผัสเวลาใจคิดนึกความรู้สึกกเ็เปลี่ยนการดูจิตอย่าไปดูจิตตรงๆให้เรารู้ทันความรู้สึกของตัวเองนะรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเราจะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายเกิดได้ดับได้เดี๋ยวรอบเดี๋ยวไม่รอบเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวไม่หลงนะี่คอยรู้ค่อยดูไปพอดูมา ก, มากๆจิตมันยอมรับความจริงว่าซึ่งได้เกิดสิ่งนั้นก็ดับ จะรู้อย่างนี้นะหรือบางคนก็อมองได้ลึกซึ้งมากกว่า น, นั้นอีกอย่างโกรธเนี้ยเราเห็นนะจิตมันโกรธได้เองเราไม่ได้เจตนาจะโกรธนะจิตมันโกรธขึ้นมาเองเนี้ยมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราอยเรนนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาอนัตตาคือเห็นว่ามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ใช่ตามที่เราต้องการตามที่เราสั่งนะอย่างเราไม่เจตนา จะโลภเลยมันก็โลภได้เจตนาจะไม่โลภนะอย่างโลภเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งเคยมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนานแล้วนะบอกว่าเดินไปศูนย์การค้าเนี่ยไปเห็นหมวกไปเห็นหมวกเอาหมวกลึกกระเป๋าเพราจะจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วใจอยากได้อยากได้รู้ว่าอยากนี่เผลออีกทีนะมานึกได้ตอนที่กระเป๋านะกลับมาถึงบ้านแล้ว เนี่ยอย่างนี้เรียกว่าขาสติยาวไปหน่อย น, ะ, นะถ้าเราฝึกให้ดีนะใจมันโลบขึ้นมาก็รู้เนี่ยอยากได้กระเป๋าเรารู้ปุ๊บความโอบหายไปแล้วก็จะดูว่าสมควรซื้อหรือเปล่านะจําเป็นต้องซื้อไหมถ้าจําเป็นเราก็ซื้อไม่จําเป็นเราก็ไม่ซื้อเราจะรวยกว่าเก่านะเพราะทุกวันนี้เราซื้อของไม่จําเป็นมาเยอะเลยในบ้านเราเนี่ยมีเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วสักปีหนึ่งไหมมีไห ม, มนี่แหละของเกินจําเป็นนะ บางคนบางคนนะมีรถตั้งหลายคันนะ่ยมีก้นอันเดียวนะแต่มีรถหลายคันมันอะไรเขามันนักหนานะบางคนก็มีบ้านหลายหลังนะซื้อไปตู้นอนที่นี่นะมีบ้านหลายหลังพาพาทั้นั้นเลยยนะมันเกินจําเป็นถ้าหากเรารู้ทันใจของเรานะี่ยเราจะรวยขึ้นด้วยซ้ําไปเงินจะเหลือนะใจมันโลภอยากได้แล้วเรารู้ทันความอยากมันดับ มันจะเหลือเหตุผลลนะสมควรซื้อก็ซื้อไม่สมควรก็ไม่ซื้อนะ่ะจะเป็นแบบนั้นจะเป็นคนที่มีชีวิตด้วยความมีเหตุผลใช้ชีวิตด้วยความมีเหตุผลนะไม่ใช่ใช้ชีวิตให้ความอยากมันลากไปเรื่อยๆความอยากนั้นเป็นของที่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่า พ่วงน้ำเสมอด้วยตันหาเสมอด้วยความอยากเนะี่ยไม่มีมหาสมุทรย่างใหญ่ไม่เท่าความอยากของเราเลยเพราะเราอยากได้ทั้งวันทั้งคืนนะ่ะอยากนอนอยากนี่อ ย, น อ, นอยากน้อนอย่างนี้ไปเรื่อยตัวอยากเนี่ยตัวโลภนะตัวโลภนั้นถ้าใจขี้อยากเราก็เห็นเยอก็อยากนะความอยากก็ดับไปก็เหลือเหตุผลควรกินก็กินนะควรนอนก็นอน นะควรซื้อก็ซื้อไม่ควรกินไม่ควร น, นอนไม่ควรซื้อก็ไม่ทนะบางคนบอกทำกรรมฐานต้องอดข้าวต้องอดนอนมากไปมันต้องดูตัวเองนะบางคนกินข้าวแล้วภาวนาดีบางคนอดข้าวแล้วภาวนาดีถ้าคนไหนอดข้าวแล้วภาวนาดีก็อดข้าว นะบางคนอดนอนแล้วภาวนาดีนะบางคนอดนอนไม่ได้ภาวนาไม่ได้เลยเราต้องดูตัวเองเพราะฉะนั้นหลักของการปฏิบัตินี่ใช้ชีวิต ธ, ธรรมดานี่เองสังเกตตัวเองไปง่วงก็งก่วงก็นอนหิวก็กินนะต้าถือหลักขนาดนี้เลยนะง่วงก็นอนหิวก็กินแต่หลวงพ่อไม่ได้บอกให้ขี้เกียจก็นอนนะบอกว่าง่วงก็นอนหิวก็กินไม่ได้บอกว่าตะกราให้กินนะเอตะกราไม่ได้หิว ไม่เหมือนกันหิวเป็นความต้องการทางร่างกายห่วงเป็นความต้องการทางร่างกายเแต่ตะกล้าหรือขี้เกียจเนี่ยเป็นความต้องการทางใจเ้าดูทางร่างกายมันจําเป็นเราก็ยอมดังนะนั้นชีวิตเราจะมีเหตุผลนะค่อยๆสังเกตไปถ้าฝึกได้อย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยการดํำรงชีวิตอยู่ในโลกเนี้ยเราจะสบายขึ้นภาระต่างๆมันจะลดลงเราจะไม่ไปเสียเงินเสียทองกับเรื่องไร้สาระหรอกนะ แล้วก็เราจะเริ่มเห็นความจริงโอ้ทุกวันนี้ที่แต่ละคนแต่ละคนเหนื่อยยากมากเพราะอะไรแต่ละคนทุ่มเททํางานอยากได้เงินเยอะๆอยากได้นอนอยากได้นี่ที่จริงเราอยากได้ความสุขที่จริงแล้วทุกคนอยากได้ความสุขไปซื้อบ้านก็หวังว่าจะมีความสุขใช่ไหมไปซื้อรถก็หวังว่าจะมีความสุขคงไม่มีใครไปซื้อบ้านแล้วหวังว่าจะทุกข์มากกว่าเก่าหรอกเนี่ยมันต้องทาทุกสิ่งทุกอย่างนะหวังว่าจะมีความสุข ถ้าไม่สุขวันนี้ก็สุขในอนาคตคิดอย่างเงี้ยแสวงหาความสุขแต่ถ้าเรามีสติปัญญาพอนะเราเห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวใจมันจะไม่หิวความสุขอีกต่อไปหรือใจเรารู้ความจริงว่าความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวมันมาแล้วมันก็ไปมันมาแล้วมันก็ไปนะถ้าใจยอมรับตรงนี้ได้นะเราจะไม่ปฏิเสธมันมันจะไม่ปฏิเสธถ้าอย่าง มีความสุขแล้วเราไม่รู้ทันว่าความสุขเกิดได้ดับได้เเราก็จะอยากได้อยากมีอยากเป็นนะเรียกว่ามีกามตัณหามีภาวะตัณหากามตัณหาอยากได้ภาวะตัณหาก็อยากมีอยากเป็นหรือถ้าโทสะเกิดขึ้นนก็มีวิภาวะตัณหาอยากให้หายไปอยากให้หมดไปอยากให้สิ้นไปเนี่ยความอยากเกิดขึ้นเมื่อไร่ใจจะถูกบีบอัดวันนั้นโดยอัตโนมัติเลย นะทุกคราวที่อยาก ใ, ใจจะถูกขยี้นะจะขยายามขยีนะ้ความทุกข์จะเกิดขึ้นทันทีที่อยากแต่คนทั่วไปไม่เห็นคนทั่วไปจะเห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไม่สมอยากนะแต่ถ้าเราภาวนาจริงๆเราจะรู้ว่าแค่อยากก็ทุกข์แล้วล่ะ เนี่ยเราก็อยากค่อยรู้ค่อยดูนะในสุดความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันไม่ถูกนะถ้าความอยากเกิดขึ้นเราไม่รู้ทันเนะี่ยมันครอบงำมันกดขีบข่บีบคั้นจิตใจของเราให้ดิ้นพล่านพล่านนะมีภาระในชีวิตเพิ่มขึ้นมากมายเลยด้วยอำนาจของความอยากนี่แหละงั้นต่อไปนี้นะสรุปนะเราควรจะมาพัฒนาตัวเราเองเราพัฒนากายวาจาของเราโดยการตั้งใจถือศีลห้าไว้ก่อน แล้วต่อไปให้คอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันถ้ารู้ทันแล้วศีลเราจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบเพราะเราสามารถรักษาใจไม่ให้ตกเป็นธาตกิเลส้ากิเลสครอบงาใจไม่ได้รับรองว่าไม่ผิดศีลแน่นอนนะอย่างพระอริยะบุคคลนะพระอริยะบุคคลเนี่ยกระทั่งโสดาบันเนี่ยบอกทำไมศีลบริบูรณ์ศีลบริบูรณ์ขึ้นมาเพราะว่าถ้ากิเลสเกิดขึ้นมาเนี่ยจะรู้ทันเลยนะ อย่างถ้าโสดา ย, ยังโกรธได้ถ้าสักคาคาอย่างโกรธได้เพราะความโกรธเกิดขึ้นท่านรู้ทันนะรู้ทันแล้วเนี่ยความโกรธยังอยูนะ่แต่ว่าพอท่านรู้ทันแล้วความโกรธมันหมดอิทธิพลมันครอบงาใจไม่ได้ท่านไม่ทําผิดศีลเพราะความโกรธหรือความโลภเกิดขึ้นพรนะโสดาสักคาคาอย่างมีโลภนะยังมีโลภอยู่ความโลภเกิดขึ้นท่านรู้ทันท่านไม่ทําผิดศีลเพราะความโลภ พระนาคาเนี่ยไม่มีความโกรธนะแต่มีความโลภแบบละเอียดโลภแบบละเอียดเนี่ยไม่ใช่โลภอยากกินอยากนอนอยากดูอยากฟังโลภของพระนาคาเนี่ยอยากสงบสุขอยากพ้นทุกข์อยากบรรลุมรรคผลอยากเป็นผ้าหลา น, นยังมีมีโลภอย่างนี้อยู่เป็นโลภชั้นละเอียดนเนี่ยต่อไปท่านภาวนาไปเรื่อยท่านก็รู้ทันวจิตยังโลภอยู่เยถ้ารู้ทันนะไม่เนียงนอนใจภาวนาไปเรื่อยวันหนึ่งก็ชนะกิเลสสิ้นเชิงได้นะ เพราะนเราต้องคอยรู้เท่าทางกิเลสเรานะการรู้เท่าทางกิเลสเนี่ยนอกจากจะทําให้เรามีความสุขในปัจจุบันแล้วเนี่ยชีวิตข้างหน้าของเราก็จะดีขึ้นแล้วถั ด, ถดจากนั้นไปนะถ้าบุญบา ร, รมีเรามากพอเราจะได้ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการบรรลุมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานมีจริงๆนะมีจริงๆนะมันอยู่ที่ว่าพวกเราจริงพอไหมที่จะเจริญศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาให้ถูกต้องนะถ้าเราเป็นคนจริงพอเนี่ย มรคนิพพานจะไม่หนีเราไปไหนหรอกพระนะพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วท่านก็ไม่ได้เก็บเอามรคนิพพานไปด้วยก็ยังอยู่ทุกวันนี้ก็มีถ้าเราสามารถฝึกจิตฝึกใจของเรานะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาสุดท้ายวิมุตต์ก็เกิดขึ้นนะถ้าได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาที่ถูกต้องวิมุตต์คือความหลุดพ้นก็เกิดขึ้นบรรู้มรคลได้เนะงั้นเราต้องฝึกนะของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มี ตัว อ, อย่างต้องทำด้วยตัวเองต้องลงตุนลงแรงนะอย่าไปหวังเลื่อนเลื่อนลอยๆ อ, อยนะชาวพูดบางคนเนียอ่อนแอเกินไปไปใส่บาทปุ๊บ ขอให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอให้ถูกปวยขอให้ร่ำรวยขอให้ลูกไม่ดือ้อขอให้สามีรักหุ้ยเธอบรรยายน้ำลายเต็มบาทเลยนะพูดไปเรื่อยๆแนละ้วอธิษฐานไปเรื่อยๆขอบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยโลกทั้งนั้นเลยนะอยากได้นิพพานใส่บาทแล้วจะนิพพานได้ไหมใส่บาทแล้วนิพพานไม่ได้ใส่บาทเป็นทาทาน ทำทานยังไม่นิพานหรอกนะศีลก็ต้องมีสมาธิก็ต้องฝึกปัญญาก็ต้องเจริญถึงจะนิพานได้เองก็ไปทําบุญแล้วก็ขอนู่นขอนี่นะไม่ได้กินหรอกทําเำทื้อความโลบได้บุญเล็กน้อยถ้าทําบุญแล้วลดละกิเลสได้ถึงจะได้บุญใหญ่นะการทําบุญจะได้บุญมากหรือบุญน้อยไม่ใช่อยู่ที่จ่ายเงินมากหรือจ่ายเงินน้อยอย่างที่เขาหลอกกันหรอกนะบุญอยู่ที่อะไรบ้างอ่ะอันแรกเลยเจตนาของเราจริงจังไหม เจตนาของเราตั้งใจจริงภาพเพียรจริงที่จะทำความดีเียอันนี้บุญแสดงนะหรืออย่างถ้าเราให้ทานเนี่ยเรามีความตั้งใจแน่ๆที่จะเสียสละไม่ใช่เพื่อจะเอานะแต่เพื่อจะให้เพื่อจะลดร้ายกิเลสอย่างเห็นพระบินทบาทนะรู้สึก ว, ว่าให้ข้าวพระกินบ้างก็ดีนะพระจะได้มีแรงปฏิบัติรักษาศาสนาเอาไวนะ้แต่คิดอย่างนี้นะได้บุญเยอะนะถ้าใส่บาทไปขอให้ถูกหวยที่จะเอา ถ้าบุญอะไรอย่างนี้บุญเล็กน้อยไม่มีสติไม่มีปัญญาถ้าบุญมีสติปัญญามันลดละกิเลสได้เป็นบุญที่ใหญ่กว่ากันนะดังนั้นอย่าไปหลงเชื่อว่าจ่ายเงินมากแล้วได้บุญมากไม่จริงหรอกนะหรือทําบุญเนี่ยเราไม่รู้ว่าทําบุญกับใครถ้าเราทําทานกษัตริย์เดรัจฉานเราก็ได้บุญนะให้ข้าวหมาข้างถนนเราก็ได้บุญถ้าทําบุญกับคนทุศีลได้บุญมากกว่าทํากษัตริย์เดรัจฉาน ทำไมเพราะว่าคนทุศีนี่ภูมิจิตภูมิธรรมมันสูงกว่าสัตว์เดรัจานนะแล้วถ้าให้ทําบุญทําทานกับคนมีศีลนะได้บุญมากกว่าทํากับคนทุศีลถ้าทําบุญกับพระยสงฆ์นะมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเนี่ยสมบูรณ์ที่สุด น, นี่เราไม่รู้อย่างเราจะใส่บาตรนะเราไม่รู้ว่าพระองค์ไหนพระจริงหรือปล่านะให้ระวางใจอย่างนี้นะว่าเราขอถวายทานเนี่ยอุทิศ ต, ต่อพระพุทธเจ้านะและพระสงฆ์ ตั้งใจอย่างนี้นะถ้าไอคนที่เอาไปกินไม่ใช่พระสง์ที่ดีอย่างน้อยไม่มีศีลมีธรรมเลยนี้มันเป็นหนี้ของเราเองเราก็ได้บุญเต็มๆแล้วเราทาบุญเรามุ่งอุทิศถึงพระเจ้าถึงพระสาวกจริงๆวางใจวางใจให้ใ ห, ใหญ่ไว้ไม่ใช่ทาเพื่อเอาจะทำทำให้มันถูกนะทำให้มันฉลาดมีเงินสลึงหนึ่งเนื้อทำบุญสลึงหนึ่งนะ ใจขเราอิ่มเ อ, อิบนึกถึงที่ไรก็อิ่มทุกทียได้บุญเยอะนะทำบุญไปล้านเงินกับบ้านสามีเตะเอาเงินไปให้พระบ้านเหนื่อยเตะเช้าเตะสายเตะบาต่ายเตะเย็นนี่นะใจเศร้าหมองบุญอย่างนี้เล็กน้อยนะทําแล้วจิตเศร้าหมองอย่าไปทํา้องรู้จักนะต้องรูจนะงร้จักอะไรที่ลดละกิเลสได้อะไรที่เพิ่มศีลเพิ่มสมาธิเพิ่มปัญญาให้เราได้เนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้นะ เรา ล, ลาไปฝึกฝนตัวเองไปเพราะวันหนึ่งเราจะได้ของดีของวิเศษมาเต็มหัวใจเราคือได้ธรรมะได้ธรรมะมาเต็มหัวใจมันอิ่มนะมันอยิ่มร่างกายเราเนี่ยหิววันหนึ่งสองสามรอบบางคนก็หิวสี่ครั้งห้าครั้งเพราะสกปรมากเลยหิวบ่อยนะแต่จิตใจได้หิวตลอดเวลาเลยเดี๋ยวอยากโน่นเดี๋ยวอยากนี่นะเนี่ยหิวหิวโซตลอดเลย ถ้าเรามาฝึกเนใจมันหมดความหิวนะมันเหลือแต่ความหิวทางกายแต่ใจมันไม่หิวใจมันอิ่มใจมันเต็มคิดดูซิคนที่ใจมันอิ่มใจมันเต็มมันมีความสุขอยู่ในตัวเองไม่ต้องไปหาความสุขที่อื่นอ่ะมันอิ่มมกอิ่มใจของตัวเองอยู่ในธรรมะของตัวเองสิ่งเหล่านี้พอกเรามีโอกาสได้นะถ้าเราฝึกตั้งใจถือศีลห้านะทุกวันแบ่งเวลาไว้สัก15นาทีทํากรรมฐานปฏิบัติบูชาพรพุทธเจ้า ปฏิบัติอะไรไม่เป็นก็บริกรรมไปพุโทโธธ ร, รมโมสังโฆอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ใจก็คอยคิดถึงพระเจ้าไปใจเราก็จะเกิดสมาธิขึ้นมานะแล้วถ้าใจเราหนีไปที่อื่นให้คอยรู้ทันใจหนีไปรู้ทันนะใจจะตั้งมั่นไปได้สมาธิที่ดนะีจะยินเสียงผลไหมบางคนนะตกใจจะกลับบ้านยังไงเพิ่งตกใจยังไม่ถึงเวลากลับบ้าน เดี๋ยวไปจะถึงเวลาฝนอาจจะหยุดก็ได้ฝ น, นหยุดแล้วเอาเท่านี้พอสมควรนะใครจะส่งกันบ้านส่งกันบ้านเนี่ยไม่ต้องพูดยาวาพูดสั้นๆก็พอแล้วละ่ะบางคนพูดยา ว, ย, าวยมเคยนั่งสมาธิแล้วก็ยมเปิดทีวีเอาไว้แล้วทีนี้ไฟมันดับนี่ยมเราย้อนหลัง และทีนี้โยมก็นั่งสมาธิอยู่อยู่ๆทีวีมันก็ดับเบิดปึง้งได้ยินเสียงโยมกิดโยมดับดับเหมือนไฟขาดพอไฟขาดปุบโยมก็ลุกขึ้นเดินรอบเตียงสามีโยมนอนอยู่โยมก็เห็นว่าตัวเราไม่มีนี่มันพยายามเดินเมียนอยู่รอบเตียงเวียนเวียนว่าตัวเราหายไปไหนหายไปไหนแล้วกโยมก็อิดไปนอนพอ น, นอนปุ๊บโยมก็ลุงเช้าโยมก็พยายามสแสดงตัวตอนว่า ฉันยังอยู่นะฉันยังอยู่นะพยายามไปยืนกระแสะสามีว่านี่ฉันยังอยู่นะ <laughs> มันยังหวงซิ <laughs> แล้วโยมก็นอนอีกแล้วก็หลับไปแล้วทีนี้จิตมันก็พลิกซ้ายพลิกขวาที่โยมหลวงพ่อหลวงพ่อเทศให้ให้คุณอะไรสักอย่างไม่แหละโยมจำไม่ได้ว่าพลิกซ้ายพลิกขวาก็รู้สึกรู้สึกโยมก็รู้สึกอีกทั้งคืนโยมก็นอนไม่หลับอืแล้วหลังจากนั้นโยมก็ นอนและทีนี้จิตมันตื่นแต่กายมันไม่ตื่นบอก ว, ว่าโยมตายแล้วแน่เลยเหมือนว่าอยู่ในอุโมงค์แล้วโยมก็พยายามเอาเท้าได้ยินเสียงแอแล้วยโยมก็เอาเท้าเขียสามีว่ายังอยู่นะ ช่วยด้วยช่วยด้วยโยมก็เลยบอกว่ า, วา ไ, มไม่ไม่ไหวใจอย่างนี้หลวงพ่อเทศเอาไว้ว่าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าโยมก็เลยนึกถึงพระพุทธเจ้าค่ะนี่ไ <c oughs> ด้เอาเท้าเฉียสามีสามีได้เอาเท้าเฉียเราตกเตียงเลยโ <c oughs> ยมพยายามปลุกให้ตื่นให้ช่วยอะคะอ่ะเนี่ยใจมันยังรักตัวเองอยู่ตอมันเห็นว่าตัวเราไม่มีแล้วมันตกใจเจคะค่อยๆฝึกนะแล้วโยมจะ ปฏิบัติยังไงต่อไปคดูไปเรื่อยๆเนี่ยดูจนใจมันยอมรับความจริงนะว่าตัวเราไม่มีหรอกนะตอนนี้มันยังมีอยู่ยังไม่ขาดยังใช่ไหมจ๊ะยังมันยังมีเงาของความเป็นตัวเป็นตนอยู่เราก็ดูไปเรื่อยๆถ้าภาวนามาได้อย่างนี้มันไม่ยากแล้วล่ะหนูนะภาวนาดีนะภานะดีแต่ว่ามันยังไม่ละความรักในตัวในตนเนี่ยมันยังมีอยู่ พอภาวนาจนถึงเวลาจะตัดนั้นมันจะอะไรอวอรเนี้ยดีดออกมาอีกอเนี่ยเสียดายโยมยังต้องเพิ่มอะไรจะพักฮะโยมต้องเพิ่มอะไรอีกจะพักอยู่ที่เวลาดูภาวนาไปเรื่อยๆมันเหมือนผลไม้ต้อง<ด>รอเวลาที่จะสุกงอมนะคะที่ภาวนามาเนี่ยดีแล้วล่ะะอะ นักมัสการหลวงพ่อค่ะโยมเป็ น, ป น, นใช่ค่ะโยมเป็นคนที่มีโทสะเยอะมากบ่อยบ่อยครั้งที่ภาวนาแล้วเหมือนกับว่ารู้สึกว่าจิตมันไปแช่อยู่ในอารมณ์เบื่อแล้วก็หงุดหงิดไม่ทราบว่าภาวนาผิดหรือเปล่าคะเราจะต้องแก้ย่งไรรู้รู้ว่ามีอารมณ์เบือ่อรู้ว่าหงุดหงิดเนี่ยได้หนึ่งคะแนนนะ้วนะแต่ความเบือ่อความหงุดหงิดเนี่ยอย่างครอบงําจิตให้เรารู้เข้าไปตรงๆรงเลยว่าจิตกําลังเบือ่อจิตกําลังหงุดหงิด ตัวอย่างนี้นะจะได้อีกคะแนนนึงมันมันแช่นานเป็นแบบทั้งที่ครึ่งวันเลยนะคะอย่าไปยอมให้แช่ดูมันก็ไปตรงๆเลยรู้ว่ามันกําลังแช่อยู่ก็คือแช่ก็ไม่แถ้าดูไปตรงตรงอย่างนี้มันจะรูดออกมาเลยนะอย่าไปยอมมันนะแล้วของหนูเนี่ยโทรสามันแรงนะแล้วมันระบาดไปที่ฝนข้างๆตัวด้วยต้องระวังนะค่ะขอบคุณค่ะมรสการครับหลวงพ่อ หลายหลายปีที่แล้วไม่ส่งกันบ้านบอกหลวงพ่อว่าติดเพ่งเข้าใจว่าเพ่งคลายออกมาบ้างแล้วแต่ว่ามันมันฟุ้งกระจาย <นะ S 1> แล้วก็โทสะเยอะขึ้นเยอะมากเลวงพอ่อเรา<อ>มีโทสะแล้วเราก็รู้ทันจิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้เนี่ยคือการเจริญปัญญานะรู้จักหลวงพ่อพุทธไหม หลวงพ่อพุทธานิยมหลวงพ่อประเด็นกอบท่านท่านบอกว่าฟุ้งซ่านกับปัญญาเนี่ยคับเส้นกันนิดเดียวนะถ้าถ้ากลัวจะฟุ้งซ่านรักษาจิตนิ่งไม่เกิดปัญญาแต่ปล่อยให้จิตทํางานเนี่ยมันเหมือนฟุ้งซ่านนะแต่มันต่างกับฟุ้งซ่านตรงที่เรามีสติตามรู้มันไปด้วยฟุ้งไปอย่างนี้เกิดโอกขึ้นมารู้ทันอย่างนี้โกรธรู้ทันนะรู้ทันอะไรเงี้ยนี่คือการเจริญปัญญามันจะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างเป็ น, ปนไปเองเห็นในนี้ ฟอนใช้ได้แล้วล่ะดีกว่าเก่าเยอะเลยนะคุณครับที่ช้าเพราะว่าติดเพลงเพรติดเพลงก็ต้องแก้พระธรรสตรางหลวงพ่อนะคะอะลูกได้รู้จักหลวงพ่อมาตั้งแต่พศสบอบห้าหนึ่งนะคะแล้วลูกก็อ่ฟังเพลงของหลวงพ่อมาตลอดนะคะแล้วลูกก็รู้สึกว่าพอได้ฟังเสียงของ หลวงพ่อแล้วรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็เย็นแล้วก็โล่งลูกก็ปฏิบัติตามตามมอสบายใจอย่างเดียวไม่ได้นะสบายใจแล้วปฏิบัติเนลี้ใช้ได้อแล้วลูกก็วันนี้อยากกราบขอบพราคุณหลวงพ่อที่มาโปรดนะคะซึ้งใจมากน้ําตาไหลเลยให้รู้ว่าซึ้งอยากปล่อยให้ความทราบซึ้งมันครอบงาใจนะอรู้เข้าไปตรงๆแล้วว่ากำลังปลื้มรู้ว่ากำลังปลื้มแล้วปลื้มอยู่ส่วนพลื้มจิตอยู่ส่วนจิตนะแล้วก็อยากจะถามหลวงพ่อว่า ร, รู้ปฏิบัติธรรมแล้วรูปก็รู้ว่าเรามีกิเลสเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ทําไม่มีกิเลสจะปฏิบัติทําไมล่ะนะเราปฏิบัติก็เพราะเรามีกิเลสค่ะแล้วจะทํายังไงให้มันว่างจากตรง น, นี้ให้มันเยอะๆค่ะให้มั น, นอย่าไปให้ว่างนะครับมีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสพระเจ้าไม่เคยสอนให้ว่างคุณบอกจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะใช่ไหมจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะให้รว้อย่าไปทําให้ว่างนะค่ะแล้วพอ ขณะที่ลูกนั่งสมาธิยาค่ะพอมันนิ่งลูกจะปฏิบัตินี่ให้มันนิ่งแค่ไหนว่าเราจะต้องว่านิ่งนานแค่ไหนหรือว่าถึงเท่าไหร่เราท่งจะรู้สึกดีอะค่ะหรือท่จะปฏิบัติให้ถึงพอจิตมันนิ่งนะครับผ่อนพอสมควรมีเรี่ยว ม, มีแรงแล้วนะถอยออกมามาดูกายน ะ, ะเวลาที่เราทําสมาธิจนจิตนิ่งแล้วเนี่ยอย่าเจริญปัญญาด้วยการดูจิตมันจะว่างๆให้มาดูร่างกายในร่างกายนี้ ผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเห็นกระดูกแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเของไม่สวยไม่งามเป็นขอไม่เที่ยงเปนขอเป็นทุกข์เป็นวัตถุไม่ใช่เราเนีคิดพิจารณาเข้าไปในกายนะครับเมื่อคนที่ทําสมาธิมากจิตนิ่งนะเนี่ยให้พิจารณากาย <Hey. S 2> เป็นการกระตุ้นให้จิตหัดมองความเป็นไตร ล, ลักษณ์ของกายระหว่างที่เราคิดพิจารณากายยังไม่ใช่วิปัสสนานะแต่ตรงที่จิตมันไปเห็นกายแสดงไตร ล, ลักษณ์เนี่ยมันจึงจะเป็นวิปัสสนา เราใช้การคิดพิจารณานำมันไป ล, ลูกได้ตรงนี้พ อ, พอจะได้แล้วค่ะตรงที่พิจารณากายนั่แหละรู้สึกไหมจิตเราไม่เหมือนเดิมรู้สึกมากค่ะมันจะว่างแต่คือมันจะบางทีมันก็รู้สึกกังวลว่าเออทาไมเรากิเลสเราหนาแค่นั้นเองเออกิเลสหนาเ <ๆ S 1> <นะ S 2> พราะเราสะสมของเรามา แต่เดิมเราพานาไม่เป็นเรากรู้สึกว่าเราเป็นคนดีนะใช่เลค่ะรู้สึกว่ามาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยแต่ละคนจะรู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยร้ายโคตรโค้รเลยบอกเลยการมาสการหลวงพ่อส่งการบ้านครั้งแรกค่ะตื่นเต้นค่ะก็ปฏิบัติมาได้ประมาณหกเดือนนะคะแต่ว่าก่อนนั้นก็คือทำสมถะมาตอนแรกก็คือดูไม่ออกว่า จับสมถะแล้จะมาดูจิตยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่พอฟัง ด, ดีมากขึ้นก็รู้สึกว่ากายกับใจมันแยกกันได้เองอ่ะค่ะอืแต่ทีนี้ตัวเองก็คือติดการอนั่งสมาธิค่ะหลวงพ่อมีครั้งหนึงที่แบบว่าคือนั่งแล้วเราสบายใจอะค่ะพอนั่งปุ๊บก็ตอนนั้นตอนแรกก็ยังเห็นกายเป็นกายอยู่หเห็นลมหายใจอยู่แต่หลังจากนั้นก็คือลมมันตื้นขึ้นแล้วลมมันก็หายไป ตัวเราเคยมีตัวเราก็หายไปทีนี้มันก็เห็นความว่าะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าทำถูกหรือเปล่าค่ะถูกคือพอพอนานนะจนกายหายนะโลกนี้ก็หายไปด้วยนะมันเหลือแต่ความรู้สึกตัวอันเดียวใช่ค่ะใช่ไหมแล้วถ้าถอยออกมาเนี่ยหนูจะรู้สึกว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นโคล่ า, ากันกายกับจิตเนี่ยมันโคล่ า, ากันเพราะเมื่อกี้ร่างกายไม่มีเหลือแต่จิตนะพอมีร่างกายขึ้นมาเนี่ย ถ้าจิตมันมองต่อเป็นนะมันจะรู้เลยว่ากายกับจิตเนี่ยโคลนอันขันมันจะแยกเลยะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราสามารถภาวนาจนจิตรวมเข้าไปนะโลกธาตุดับร่างกายหายเนี่ยถ้าถอยออกมาแล้วตั้งแต่นั้นมาปกติเลยนะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยขันมันจะแยกนะมันจะรู้เลยกายส่วนกายจิตส่วนจิตโค่นอันกันแล้วพอขันแยกแล้วไม่ใช่แยกอยู่เฉยๆอย่าให้เฉยอย่างตอนนี้นะเอต้องดูขันทํางาน เช่นเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นความสุข oh, ทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูเห็นโลภโกรดหลงเกิดขึ้นใจเป็นคนดูแยกขันเนี่ยอย่างน้อยต้องได้สองขันเช่นร่างกายกับจิตนะสุขทุกข์กับจิตดีชั่วกับจิตอย่างน้อยต้องได้สองอันนะถ้าสองอันแล้วแต่อันหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นตัวจิตที่เป็นคนรู้อีกอันหนึ่งเป็นตัวที่แสดงให้จิตดู จะเป็นตัวร่างกายก็ได้เป็นสุขทุกข์ก็ได้เป็นดีชั่วก็ได้ถ้าดูได้ใหญ่นี้นะปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าร่างกายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราะดีชั่วก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราเนี่ยอย่างนี้ถึงจะเกิดต่อใจมันกลัวนะคะว่าพอพอไม่ใช่พุ๊เราพอก็ไม่เอาอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่เอาอะไรเลยแล้วก็จะกลัวค่ะว่ากลัวให้รู้ว่ากลัว อย่าปล่อยให้ประโกลรธคล่มำําใจนะภาวนาจนะทั่งโลคกระท่าดับร่างกายหายได้เนี่ยเก่งนะมีคนทําได้ในยุคนี้ไม่มากนักหรอกนะต้องพวกฤษีเก่ามาเกิดอนะ่ะเพื่อทำไดนะ้ต่อไปนี่ยาหารไเป็นปัญญานะให้เห็นในกายกับใจมันคนละอันกันไก่นี้ไม่ใช่ตัวเรานะจิตใจก็อยู่ต่างหากจิตใจก็ทํางานได้เองเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ชิด ใส่เกตไหมเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดไม่จงใจให้เป็นผู้รู้ตลอดเวลาไม่ได้นะแล้วหลังจากนั้นก็คือจิตมันผ่องใสอะคะ่ะอผ่องมาได้ประมาณวันครึ่งมันก็เสื่อมอะค่ะเราไม่ได้ยึดติดอะคะ่ะแต่ว่าออรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปเออถ้าเสื่อมแล้วเสียดายให้รู้ว่าเสียดายอยากให้มันคืนมารู้ว่าอยา่างถ้าตราบใดที่ยังอยากอยู่จะไม่คืนมานะไม่กลับมาขอกันบ้านนะคะพ่อ เฉริญ ป, ปัญญ า, าเิญปัญญาให้มากขึ้นหน่อยนะสมาธิเยอะแล้วแต่ไปเนี้ยดูกายทำงานไม่ใช่เราทำงานนะดูความรู้สึกดูจิตใจม่ททำงานดูเหมือนดูคนอื่นไม่ใช่เรานะครับนมสตานค่ะตัวโยเมเองนะคะมีเรื่องที่จะถามหลวงพ่อนะคะว่าการที่เราไป เป็นผู้ถ่ายทอดนะคะทางด้านการนั่งสมาธิแล้วอยู่ๆมีจิตจิตหนึ่งนะคะเรียนแบบกายของเราทุกอย่างไม่ว่าเป็นการแต่งกายรูปร่างนะคะทุกส่วนของร่างกายของเราเป็นไปได้ไหมคะมันจิตมันมองเห็นใช่ไหมมันเหมือนเราเปรียบเลยใช่ไหมคือคือที่มองเห็นนี้ไม่ใช่ว่าโยมเองเป็นผู้มองเห็นนะคะ ไม่ถึงบุคคลอื่นมองอเห็นค่ะ<ม>ด้วยมีเหตุอืไม่แปลกอะไรหรอกหลวงพ่อนะมีอยู่คราวตอนนั้นรับราชการอยู่ไปสัมมาดาตอนนั้นเป็นข้าราชการผู้น้อยยุคยุนั้นนะเวลาพักเนี่ยห้องหนึ่งอยู่สองคนไอ้คนที่พักคู่กับหลวงพ่อมันก็ไปเที่ยวตอนกลางคืนหลวงพ่อก็นั่งภาวนาหล ว, วงลว่องเราก็ลงนอนหลับแล้วพอว่าเช้าขึ้นมานะไอ้คนเนี้ยกขุมโปง แล้วก็ดึงมันออกมาโอ้มันกลัวมากเลยมันบอกว่าเมื่อคืนนะพอมันกลับเข้ามาเนี่ยมันเห็นหลวงพ่อนั่งสมาธิอยู่มันก็ไม่อยากพูดด้วยะเกรงจะรบกวนแต่ดูไปอีกทีเฮ้ยหลวงพ่อนอนอยู่ด้วยนะทั้งนอนทั้งนั่งพร้อมๆกันนะบอกโอ้หลวงพ่อเลี้ยงผีแต่ก็เลยมุดอยู่น้ําท่าไม่อาบแล้วมดลงอยู่ใต้พระหงไม่มีสาระอะไรหรอกไม่ใช่เรื่องดีพิเศษอะไรหรอกนะ เขาเห็นของเขาเองมันไม่ได้ช่วยลดละกิเลสอะไรของใครสักคนเดียวเรื่องของสมาธิเนี่ยจิตมันถอดออกมาสร้างรูปขึ้นได้แล้วถ้าคนอื่นเขามีตาเขาก็มองเห็นรูปที่จิตสร้างขึ้นมานะกายเนื้อก็ยังอยู่กายทิพย์ก็มีบางทีมีหลายกายด้วยเดินจงก่มเนี่ยตัวจริงเดินอยู่นเน่ะนะมีตัวนิมิตเกิดขึ้นสี่ตัวล้อมเลย คนมองเห็นเห็นหา้าคนเดินพร้อมๆกันนะสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ทั้งหมดเลยแต่ไม่ใช่สาระแก่นสารเพราไม่เป็นไปเพื่อลดละ ก, กิเลสนะสิ่งที่จะช่วยลดละ ก, กิเลสเราคือคอยรู้ทันกิเลสเราไว้ให้ดีนะรู้ทันจิตใจเช่นเราดีใจเพราะเมื่อเราพอวนาเก่งเนี้ยเรารู้ว่าดีใจเนะีนะ่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้เท่าทันใจของเราไปนะจะดีกว่าักต่อไปนีไหไม่มีแล้ว ฮะอ้แถมแถมแถมแม่ชีนมัตการค่ะหลวงพ่อล้ว<อ>ดีขึ้นหรือยังภาวนาดีขึ้นแล้วจ้ะค่ะฟุ้งน้อยลงยังน้อยลงแล้วจเจ้าค่ะอย่าฟุงเยอะฟุงนิดหน่อยพอหลวงพ่อแม่ชีมีอันบ้านจะส่งหลวงพ่อค่ะ ม, มีสติอยู่เฉพาะหน้าแล้วก็ เห็นทุงสิ่งทุกอย่างดับไปเดี๋ยวแต่รู้เจ้าค่ะแล้วรู้นั้นก็รู้เงีับไม่มีคําพูดอืแล้วพอสักพักนั้นก็จะเห็นว่ากิเลสหายไปเชี่ยวหนึ่งค่ะหลวงพ่อแล้วอย่างนี้ก็พอเห็นแบบนั้นปุ๊บก็จะเห็นความสุสงบสว่างสะอาดเกิดขึ้นเจ้าค่ะยังเชื่อมันไม่ได้นะเดี๋ยวมันก็สกปตกได้อีกนะมันยังไม่ไม่ได้ตัดจริง จะป่ะ <c oughs> เราก็ฝึกของเราต่อไปอี ก, อกอยังไม่พอจะป่ะ อ, <c oughs> อย่าให้ฟุ้งซ่านก็แล้วกันจะป่ะเราจะพ่อห้ามฟุ้งในธรรมะเจ้าป่ะเ <c oughs> สร็จแล้วนาะเครื่องปัจจัยใจยถทานทัหลานะหลวงพ่อถวายให้วัดประชาสันติให้พวกเราจะได้ได้บุญไหลต่อที่วัดเขากำลังก่อสร้สางะนื่งปัจจัยใจยถา ท, ท, า, ทานท่าไหลายขอถวายแท่ที่วัดนะรับพร เยะถาวะริวาาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังกตทิตังทุมหังคิปะเมวะสมิฉตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสวยัฐามณิโชติรโสยัฐาสพีตโยวิวัชฉันตุสภโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะ อาภิวาธนาสีลิสนิจจังุทธาปจายโนะจตตาโรโธรรมาวทันติอายุวนโนสุขังพะลัง